แม่ค้าข้าวหลามอวดครวนค่าเช่าที่งานเลืมแพงเวอร์เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่11ธันวาคมผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์แม่ค้าขายข้าวหลามที่หน้า ง, งานเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2557จังหวัดตรัง เนื่องจากข้าวลามงานเฉลิมถือเป็นสินค้าที่เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของงานเฉลิมในทุกปีโดยในปีนี้มีแม่ค้าที่มาขายข้าวหลามงานเฉลิมจำนวนน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากต่างอดครวรกับค่าที่แพงมหาโหดสอบถามนางจินดาแสงมีอายุห้าสิบสองปี อยู่บ้านเลขที่ห้าสิบเจทับหนึ่งหมู่แปตําบลโคกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังแม่ค้าขายข้าวหลามเผยว่าในปีนี้มีแม่ค้าข้าวหลามมาขายของน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาค่าเช่าที่แพงมากและผู้จัดงานก็เก็บค่าเช่าที่ตั้งแต่วันแรกที่มาขายในราคาเมตรละห้าพัน บาทหากแม่ค้าคนใดไม่มีเงินใจ่ายให้ก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาขายได้หรือหากเปลี่ยนที่ก็จะถูกเจ้าหน้าที่มาเก็บเงินเพิ่มอีก 5,000 บาทนางจินดากล่าวว่าตนได้ประกอบอาชีพขายข้าวหลามมากว่า10บปีแล้วและทุกปีก็จะนำข้าวหลามมาขายที่งามเฉลิมเป็นประจำโดย ในปีนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีก็ยังคงนำข้าวหลามมาขายเช่นเดิมแต่ลดปริมาณการผลิตลงเนื่องจากต้นทุนมีราคาสูงเมื่อก่อนเคยทำมาขายในงานจำนวน 200-300 ถึงกระบอกก็ขายหมดเกลี้ยงตอนนี้ทำมาแค่ 100-200 ถึงกระบอกต่อวันก็ขายยาก เพราะลูกค้าไม่ค่อยซื้อโดยจะบ่นว่าข้าวหลามราคาแพงเพราะเมื่อก่อนเคยขายข้าวหลามสามกระบอกราคา100ร้อยบาทตอนนี้กระบอกละห้าบาทลูกค้าจึงซื้อน้อยลงนางจินดายังกล่าวอีกว่าจากการที่ราคายางพาราตกตำ่ำได้ส่งผลกระทบต่อ ย, ยอดขายข้าวหลาม เนื่องจากคนมาเที่ยวงานน้อยจับจ่ายซื้อของน้อยลงลูกค้าที่มาซื้อยังบ่นว่าราคายางพารากิโลก ร, รัมละสาสิกว่าบาทจะซื้อข้าวหลามสักหนึ่งกระเ บ, บอกยังไม่ได้ซึ่งตนก็เข้าใจลูกค้าแต่ก็ได้มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับลูกค้าเพราะตัวแม่ค้าเอง ก็โดนจ่ายค่าเช่าที่แสนแพงอีกทางต้นทุนที่เพิ่มขึ้นก็จำเป็นต้องขายในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นนางจินดายังกล่าวอีกว่าหากปีหน้าผู้จัดงานยังเก็บค่าเช่าที่แสนโหดแบบนี้ก็จะไม่มาขายของที่นี่อีกแล้วปล่อยให้งานร้างไปเลยเพราะผู้จัดงาน ไม่เห็นอกเห็นใจชาวบ้านทุกวันนี้เศรษฐกิจย่ำแย่กลับยิ่งขูดเรียเงินชาวบ้านไม่มีความเมตตาสงสารกันบ้าง